Thank <laughs> you. การปฏิบัติที่จะเป็นนักปฏิบัติพอเวลาใดที่มันหลงคิดไปอย่าเข้าไปในความคิดให้กลับมารู้สึกตัวมาตั้งไว้กับอริยบทที่เราสร้างอาจจะเดินจงกรมอาจจะสร้างจังหวะหรืออาจจะทำส่วนใดส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวในการประกอบ โดยเพราะการเจริญสติต้องอาศัยความเพียรความขยันไปเนิร์กไปคิดเอาไม่ได้ต้องเป็นของเก่งถ้าการเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็เป็นปัจจุบันความรู้สึกตัวก็เป็นปัจจุบันไปกับการเคลื่อนไหวทำไมเราจึงเคลื่อนไหวให้มันรู้เพราะว่า ชีวิตของเราเนี่ยมันไหลไปข้างหน้ามันไปข้างหลังมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงสิบปียี่สิบปีก็เอามาคิดปัจจุบันเลยทิ้งว้างไปวิธีปฏิบัติจึงเพียรพยายามที่จะให้เป็นปัจจุบัน เห็นผิดก็เห็นปัจจุบันเห็นถูกก็เห็นปัจจุบันเห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นปัจจุบันปัจจุบันคือของจริงแต่เห็นปัจจุบันต้องก่เขาเปลียเกี่ยวข้องก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้ต้องมีกําลังตรงนี้อย่าวางอย่าทิ้งไว้พอเรามีทํางาน ถ้าไม่ทําสิ่งที่มันผิดให้มันถูกมันก็ไม่เป็นงานถ้าทําสิ่งที่มันถูกจนเป็นทําเป็นแล้วเกิดมันหลงทำของรู้สึกตัวโอ้ความหลงหมดไปแล้วความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแล้วทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วอย่างนี้สอนสอนตัวเองอย่างนี้การปฏิบัติทำคือการสอนตัวเองการพึ่งตนเองถ้าเราสอนเราจนเป็นที่พึ่งได้มันหลง รูดสิบตัวกลายเป็นความรู้ได้ความรู้เราทำเอาเองความหลงเราก็ทําเอาเองเกิดกับเราเองความผิดความถูกก็เกิดกับเราเองเราจึงขยันเปลี่ยนมันเราไม่ได้เจตนาดอกปองหยาบมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นจริตนิสัยมันเคยชินไอทีนิสัยเนี่ยก็ก็เป็นภาระพอสมควร บางทีก็จิตเนตใสคิดไปต่างๆเป็นลาขะจิตเป็นโทสะจิตเป็นโมหะจิตว่านิตใสมันเปิดมันเปื้อนอะไรมามันเกี่ยวข้องกับอะไรมากอันติดอันติดเป็นจิตเนตใสท่านเรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณเราจึงมาเปลี่ยนให้มันติดอันใหม่ติดความรู้สึกตัว เหตุเราทําใหม่ๆอาจจะหลงง่ายที่จะหลงเพราะมันเคยหลงเคยไหลพอมารู่สึบตัวความหลงก็ยังแย้งไปเหมือนเราไปขวางทางน้ำน้ามันไหลอยู่เราเพียรพยายามที่ไปขวางทางไม่ให้น้ำไหลแต่กําลังสิ่งไปขวางไม่เพียงพอมันก็ยังเกิดไหลอ ย, อยู่เรื่อยแต่เราก็เพียรพยายามสร้าง พลังแห่งความขวางกัน้นให้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็รู้ได้มันก็มากได้เ่นเรายกมือสร้างจังหวะเป็นพลังแห่งการขวางความหลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้เอารู้เอามันก็เราโยนก็สอบทรายใส่ทางน้ำที่มันไหลแต่สอบถึงอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าโยนลงไปเรื่อยๆโยนลงไปเรื่อยๆ พอมโยนลงไปเรื่อยๆหลายสอบมันก็อาจจะเห็นเพราะมันทําหน้าที่ของมันอยู่สอบซรายแต่และสอบก็ทําหน้าที่ของมันอยู่วางรู้สึกตัวประมาณกันอยาประเมินทําไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนอย่าไปประเมินเอาเหตุเอาผลอย่าไปเนื้อว่าทําไมจึงไม่ได้ทําไมจึงเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้อันนั้นเป็นเป็น อาความคิดแก้ความคิดมันไม่ไม่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นการกระทําการกระทํามันจะจําแนกไปว่าแต่เราสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆบางอย่างที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ต้องไปแก้ในแต่สร้างความรู้สึกตัวเรื่อยไปถ้ามีความรู้สึกตัวมากเดี๋ยวมันจะเฉลยทีหลังก็ได้ อาจจะเฉลยทีหลังก็ได้บางอย่างคิดจะไปถามครูอาจารย์แต่หาเราสร้างสติไปก่อนจะถามครูอาจารย์โอ้ครูอาจารย์ก็ไม่อยู่สองโคเทียนก็ไม่อยู่อัยเทศเทน่นไปสอนที่นี่เราก็ไม่ได้ถามแต่ว่าเราสร้างปติเอาเอาสร้างสติเอาเดินจงกรมยกมือสั่งจังว่าเอา แม่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวเอาผมรู้สึกตัวนี่แหละแต่มันมีธรรมันมากเราคำที่เรื่องที่เราคิดจะถามมันก็ไม่ได้ถามหรอกมันเฉลยไปการเจริญสติมันเป็นการแ ก, กแกงเป็นการสาทยายธรรมไปในตัวได้บทเรียนไปในตัวเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกไปในตัวสมมูรณ์แบบโดยเฉพาะเรื่องกายเรื่องใจนี่ สตินี่เป็นตัวเฉลยได้ทั้งหมดอยแปล เ, เหตุเอาผลมาเฉยเรื่องกายเรื่องกิจต้องมีกรรมไม่กรรมาฐานมีความรู้สึกตัวไปก่อนที่ปฏิบัติต้องก็มีเท่านี้อ่ะมันสร้างความรู้สร้างความรู้แต่มันหลงรู้สึกตัวทําเป็นแล้วตัวนี้แหละจะไปแต่พื่ต่เพื่อแต่ถ้ามันหลงเข้าไปอยู่ในความหลงแต่วันคิดเข้าไปอยู่ในความคิด มันทุกข์เข้าไปอยู่ในความทุกข์มันโกรธเข้าไปอยู่ในความโกรธยังไปไม่ได้ก็ยังเป็นทางขวางอยู่อะไรก็ตามถ้ามาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวน่ะไปได้ตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางอาศัยความรู้สึกตัวเป็นสิ่งดาทางเป็นเป็นการเบริกทางเป็นการเบริกทางไปเรื่อยๆเราสร้างทางไปเรื่อยๆเห็นล่องเห็นลอยไปเรื่อยๆ ลอยสติที่ไปอยู่กับกายลอยสติที่ไปอยู่กับจิตใจมันยังเห็นอยู่พอเราหลงทีเลยมันก็รู้มามันเห็นล่องลอยอยู่เหมือนเราเดินทางเดินจังกรมของเราเดินทีแรกก็ไม่ค่อยเห็นลอยเออเดินกลับไปกลับมาสามรอบสี่รอบมันก็เป็นทางเป็นลอยลอยเดินนี่เราเอาสติมาเดินเหยียบจูบบนกายบนใจเรา ไปมาพอเห็นทีแรกก็เหมือนกับเจตนาที่จะแก้ความหลงแก้ความทุกข์แก้อะไรต่างๆต่อไปต่อไปมันจะเป็นไัวเองนะเพราะว่าความรู้กับความหลงมันต่างกันอยู่เน่ยหลักของมันก็มีเท่านี้การปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้เลยถ้าจะบอกแล้วบอกกี่ก็มีแต่ความรู้กับความหลง ในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยความหลงก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาแก้มันไปเลือกไปล่องไปทำอะไรต่างๆไม่เกี่ยวแตามาเจริญสติสิ่งที่เราทำก็กายเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนธรรมาชาติคนเราเราปฏิบัติลงไปที่กายทุกคนก็มีกายความหลงเกิดขึ้นที่กายที่เป็นจุยใหญ่มันหลง ส่วนไหนที่เป็นเรื่องของกายรูปหมดรูปครบรู ป, รปท่วนโอเแก้วมันก็หลงอยู่ที่เวทนาเวทนาเป็นเรื่องของกายด้วยเป็นเรื่องของจิต ด, ด้วยทว่าเวทนาก็คือสุขคือทุกข์มันจะเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติขณะที่เราจเจริญสติใกล้กับว่าเขาโชว์ให้เราเห็นเขาโชว์เรื่องกายเราก็เคยหลงกายเขาโชว์เรื่องเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ เราก็เคยหลงตรงนี้แต่นี่พอเรามีสติกาหนดกายอยู่เราก็กลับมาดูกายเวทนามันก็เอาหลอกไม่ได้เห็นเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์เวทนาไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาที่เขาแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็กลับมาหรือเกี่ยวข้องกับเวทนา วันเทาอาจจะเปลี่ยนเอลบทโดยมีเพิ่มรู้สึกตัวไม่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่การเห็นเทวนาเขาโชว์เขาแสดงออกทำให้เราหลงตรงนี้ก็ไม่หมดจิตแต่นะ่ะเทมันคิดจิตนี่ก็โชว์กันกันปรากฏว่าแต่ยังไม่ปฏิบัติทำไม่เจริญสติมันก็ไม่เห็นไม่นคิดอะไรมากมายพอมาเจริญสติรู้สึกมันไหลออกมา มันไหลออกมาคิดโดนคิดนี่เป้ยเรื่องเก่าเก่สิบปียี่สิบปีก็เอาไมค์คิดทําไหลไปเราก็รู้สิบตัวแล้วก็กลับมาโดยเพราะอริบทมันช่วยเราได้แล้วก็กลับมาตั้งไว้กับอริบทตนะมันจะหลงไปในความคิดเราก็รู้ตรงที่มันเคยหลง มันหลงแล้วรูนะ้เนี่ยไม่เป็นไรแต่มันหลงแล้วหลงความหลงสร้างความหลงมันก็ยังไปไม่ได้ความหลงก็ยังหลอกเราได้พอเรามาเจริญสติแล้วนะอะไรที่มันหลงไปในความคิดเราลู้สึกตัวลู่สึกตัวมันก็เจ่งตรงนี้อีกถ้าจะเรียกว่าด่านก็ได้เป็นด่านที่มันกักเรากักทางเรากายก็ดีเวทนาดีจิตก็ดี ทำให้ผู้เจริญสติหลงตรงนี้มากต่อมากเหมือนกันถ้าเราไม่หลงตรงนี้เราก็ผ่านด่านผ่านด่านเหมือน ก, กับกักเรมไ่อยู่แล้วกักกลมห้อยู่ก็ชำเนยชำนาญอันไหนชื่ว่ากายไม่หลงเลยอันไหนที่ว่าเวทนาไม่หลงอันไหนที่ว่ากิจมันไม่หลงกิจคือมันคิดนั่นแหละแต่มันคิดทีไรเราไม่หลงความคิดมันมีอยู่สองลักษณะ ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองเนี่ยทันทีละวอย่างไรที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองอรู้ทันทีกลับทันทีมาหน้ามือหลังมือเตลี่ยนทันทีแตามันหลงกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับความคิดที่ตั้งใจเวลาปฏิบัติก็ไม่ต้องไปตั้งใจคิดเรื่องใดให้เป็นการกระทำความเขียนล้วนๆอย่าไปหาเรื่องไม่คิดในเวลาปฏิบัติ หาคำตอบจากความคิดบางอย่างคำตอบที่เกิดจากความคิดมันไม่มีนะปล่อยปรัมมัดสภาวะธรรมมันไม่เหมือนการเรียนศึกษาทางสูตรสำเร็จสูตรปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่หาคําตอบจากความคิดมันจะตอบเราเองต่อความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดอ่ะมันเสด็จสมาก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะมันก็ตอบเราเองมันก็เฉลยเราเอง นอกจากกายแล้วนอกจากเวทนาะนอกจากกิตก็มีธรรมสรุปรลงคือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่ครอบงํากิตใจมีหลายอย่างเป็นความง่งเงาหอนอนความงงเงาหอนอนนีก็ถือว่าเป็นธรรมนะความคิดพุ่งสร้านก็เป็นธรรมพยาบาทก็เป็นธรรมหลังเลสงสัยหมดเลยมันครอบงํากิจมันเหมือนกับสิ่งที่ผูกมัด ล, ลึกลง เรื่องของจิตก็โชว์มากมากแล้วแล้วพอตัวหลงที่เกิดกับจิตเนี่ยบ่อยที่สุดแต่ว่าเมื่อมันหลงบ่อยที่เกิดจับจิตเราก็ลู่มันบ่อยๆการลู่ความหลงบ่อยๆที่เกิดขึด้นกับจิตกับใจแต่ว่เป็นเรื่องดีมันจะบรรลุดทำตัวนี้เหมือนกันมันจะบรรลุดทำความหลงที่มันหลอกเราเรื่อย ๆ, ๆหลอกเราเรื่อยๆถ้าเราลู่ทันมันก็เกิดปัญญา ความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันสุดพอใจจริงๆแต่รู้ทันมันแล้วนะถ้าจับตัวนี้ชนะตัวนี้ได้ก็อันอื่นก็อ่อนไปเลยเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตที่มันคิดขึ้นมาน่ะแตาความหลงที่เกิดกับจิตเรารู้ทันเนี่ยอันเดินก็คอยอ่อนไปเพราะจิตมันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แบบป่าเถื่อน แต่ว่าเรามาสร้างความไม่เถื่อนให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยเราก็ขยันตรงนี้อย่าเบื่อหน่ายบางทีเราทำไปมันไม่มีอะไรเลยโดยเพราะการปฏิบัติจะไม่เหมือนการทานาทำไร่ทำสวนการทานาเนี่ยยังเสร็จเป็นวันวันวันวันสามสิบสี 30, 40, ่สิบไร่ก็เสร็จไปวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็ไร่หนึ่ง สี่สิบไล่ก็สี่สิบวันยังประเมินได้ยังประเมินได้ ย, ไดยังดูได้ดูออกว่าต้องเสร็จแน่นอนกําหนดวันเวลาได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยกําหนดเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่มันจะกําหนดตอนที่มันผิดทําให้มันถูกเท่านั้นตัว น, นั้นเราถือว่าเป็นนักปฏิบัติตามบรรทุกเปลี่ยนไม่ทุกนะ่อเป็นนักปฏิบัติแล้ว แต่มันหลงเปลี่ยนไม่หลงเป็นนักปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติคือเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกหรือว่าเป็นนักปฏิบัติก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปแต่เราเปลี่ยนตรงที่มันหลงบ่อยๆตรงที่มันหลงบ่อยๆเห็นความหลงเกิดขึ้นกับกายเห็นความหลงเกิดขึ้นกับจิตใจมันก็ไปรู้ความหลงไม่ใช่หลงกายเฉยๆมันก็เห็นเรื่องกายมันเห็นเป็นรูป แต่เรื่องกิจเรื่องใจมันเห็นเป็นนามมันเป็นรูปเป็นนามเออต้องมีหลงไม่รู้มีโกมม่ทุกข์เป็นมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยเป็นก็จะจับหลักได้ให้เห็นรูปเห็นนามนะอย่าไปเห็นนั่นอื่นอย่าไปหาอย่าไปคิดหาว่าคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่าไปคิดหาแบบนั้นเห็นก็เห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะมันเป็นรูปเป็นตา เป็นรูปทําเป็นนามทํารูปมันทําเนี่ยเรายกมือสร้างใงว่าโอ้รูปมันทํามันทําความดีแล้วก็มีความรู้สึกตัวทั้งนามมันก็ทําดีรูปมันกาลังทําดีนามกําลังทําดีถ้ามันหลงไปกืบกายหลงไปกืบจิตก็เห็นรูปมันทําไม่ดีก็เป็นรูปเป็นนามเห็นรูปนามมันทําไม่ดีก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามให้มันทําความดีโดยมีสติสมชัญญะ ถ้าเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงการแสดงออกของรูปของนามมันก็ย่อลงไปเห็นเป็นอาการไม่ใช่เห็นเป 56, Skill, line, que together, so s <S ็นสุขไม่เห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอาการที่เขาเกิดตามธรรมชาติของเขาเป็นรูปมันก็ปวดมัากเมื่อยเป็นธรรมดามันก็เป็นอาการของรูปแต่รูปมันปวดมันเมื่อยมันล้นมันหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปมันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูป รูปมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้รูปมันเป็นอย่างนั้นน้ำ ม, มันรูดจักล้นจากหนาวเป็นรูดจากหขวรูดจักปวดเป็นมันเป็นนา้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปคำนามใช้รูปเราแล้วคืออาการไม่มีตัวมีตนแต่ก่อนเรามีตัวมีตนอยู่กับรูปคำนามอันนี้พอมาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นเป็นอาการตามธรรมาชาติมันก็เห็นเรียกว่า ตามที่พระเรียบบุคคลเบื้องต้นตูแจ้งในรูปในกายหรือว่าสกายยะทิฏฐิสกายยะทิฏฐิเนี่ยไม่มีตนอยู่ในกายอันกายนี่ไม่เอามาเป็นตนเลย<า>แต่ก็ลนมีตนอยู่ในกายร้อนก็กู้หนาวก็กูป Ł วดก็กู้หิวก็กู้เอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เรื่องของกายเรื่องของกายเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์ วันนี้พอรู้สึกเห็นรูปเห็นนามแล้วมันทําลายตัวนี้ลงไปสักกายทิถิตัวนี้ไม่เป็นทุกข์เรื่องกายไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนเอาเป็นอาการเป็นธรรมชาติเอามาเป็นธรรมชาติเป็นอาการเห็นแจ้งเห็นแจ้งไม่เอากิ่งเอาจังกับรูปกับกายหน้าที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ลอยตัว มก็เป็นปัญญายิ่งไปเห็นรูปทุกเห็นนามทุกรูปที่มันทุกนามที่มันทุกทุกของรูปเนี่มากหายใจเข้าหายใจออกก็ถือว่าเป็นทุกของรูปยืนเดินนั่งงอนก็ถือว่าเป็นทุกของรูปจินตอกถายต้องเป็นทุกของรูปทุกที่เป็นสภาพตามความเป็นจริงทุกที่เป็นขันตุกะ ทุกที่เป็นอรเียสัตว์เกิดขึ้นที่รูปที่นามทุกที่เป็นสภาวะทุกมันก็เสมอกันทุกคนเสมอกันทุกคนเวลานี่เราก็มีอากาศเท่ากันไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปได้ยินเสียงกิ้งเหลียดเท่ากันได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเท่ากันเรานั่งอยู่นานๆเรานก็ปวดก็มั่วยเท่ากันในเรว่าสภาวะทุกข์ที่มันเสมอกัน ทุอห น, นึ่งที่เป็นอาการตกกรทุกอากาตกกรทุกคือมันปวดหลักปวดเบามันหิวต้องบรรเทา่าทุกบางอย่างกระโดดรู้ทุกบางอย่างบรรเทา่าทุกบางอย่างต้องละโดยพอทุกที่เกิดที่เป็นเรื่องสัตรีต้องละเช่นสูบุหรี่ก็ต้องละกินเหล้าก็ต้องละไม่ใช่ว่ามันอดไม่ได้ ถ้าเห็นจริงๆไม่มีคำพูดว่าอดไม่ได้อดไม่ได้เวลามันหิวก็อดไม่ได้อดสูกไปได้อดดื่มเหล้าไม่ได้ถ้าจะเป็นธรรมชาติเป็นวัตตะมันก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเพราะสูบมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันจึงสูกไปอดไม่ให้มันอยากไม่ได้เพราะสูบมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันจึงสูกตัวตัดวิบากกรรมตนนีเหรอ คือกรรมกรรมฐานเนี่ยมันตัดลงไปที่กรรมกรรมคือการกระทำเช่นสุบูรีอะไรเป็นกรรมเพราะสูบตัวสูบเป็นกรรมตัวสูบเป็นกรรมถ้าจะให้มันไม่ติดมันก็ตัดกรรมตัวนี้ไปก็ตัดตรงนี้ไปรู้กแก้งดีใจฉเฉลียวฉลาดโอ้โหมันอยู่ตรงนี้อพอมันเห็นทุก พอมาเห็นทุกข์กัสาวถึงตัวทุกข์เข้าไปตามเหตุต้องเข้าไปไม่ใช่ไปว่าคนอื่นมันเหตุมันอยู่ตรงนี้บางทีไม่เคยอดเลยพอมันเห็นเหตุกระบวนการแห่งสร้างทุกข์ของรูปของนามมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยจิงๆไม่ได้อดเลยก่เขาตื่นรุ่นกอบกู้กอบกู้ชีวิตของตนขนส่งออกมา ชีวิตจริงๆมันต้องขนส่งจากการปฏิบัติธรรมการเจริญสติพระเช้าหลวงพ่อกระโพญโยธามาปล่อยวนันอบรมผู้เท่าจำสินว่าการเจริญสติมันเป็นยานสองแบบยานแบบหนึ่งเป็นยานอย่างรู้ยานอย่างรู้เนี่ยโยผู้หญิงสะอานอนเนนเนี่ยเราทําเนี่ยมันรู้ไหมต้องไปถามใครไหมแบบมือของฉันอยู่ตรงไหน ฉันมือตั้งไวหรือยังฉันยกมือหรือยังมือของฉันวางลงหรือยังมือของฉันคว่ำลงหรือยังไม่มีไม่มีคำถามม่ติยานอย่างรู้มันก็ตอบได้เลยมันรู้แมันรู้เนี่ยคือาว่าการเจริญสติมันสร้างยานมันสร้างยานมันอย่างรู้ทะลุทะลวงได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะยานอันหนึ่งเป็นยานขนส่งยานขงส่งนยอย โยยักษ์สลาโนเนนขนหลงไปมันหลงขนความหลงออกไปล่อเท่งเอาความรู้ไปใส่มันทุกข์ขนความทุกข์ออกความรู้ไปใส่มันขนส่งล่วงข้ามภาวะเก่าสิ่งที่เคยหลงกลายเป็นสิ่งที่เคยรู้ความหลงสร้างความรู้ความผิดสร้างความถูกมันข้ามล่วงไปอันนี้เรียกว่ายานแบบขน ส, งส่งที่มันเคยโกรธ มันก็ไม่โกรธแต่ก่อนความหลงสร้างความหลงความทุกข์สร้างความทุกข์ความโกรธสร้างความตกมันต่อเอาไว้วันนี้มันไม่ต่อมันมาก่อนมันขนออกไปเพราะเรามีสติเรามียานยานก็ช่วยแรงหนึ่งขนส่งก็ช่วยแรงหนึ่งมันเป็นยานอย่างลูกเป็นยานขนส่งมันไปพร้อมกันพลังสองมันจะอยู่ได้ยังไงสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็อยู่ไม่ได้หรอก ยิ่งไปเห็นลูกเห็นน้ำเนี่ยเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอาการความโกรธอย่างเนี้ยมันเป็นอาการของน้ำมันไม่ใช่น้ำเป็นอาการที่บัดเกิดขึ้นกับน้ำน้ำคือจิตใจความโกรธไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของลูกเรื่องของลูกมันก็คือความรอ้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเป็นเรื่องของลูกน้ำไม่เป็นด้วยก็ได้ ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนี้กาหนดรู้ฉลาดบางอย่างกาหนดรูด้จากการรู้รู้แล้วมันร้อนก็รู้แล้วมันหนาวก็รู้แล้วมันหิวก็รู้แล้วมันปวดก็รู้แล้ววี่ญาณรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเป็นญาณของสติมันล่วงไปแล้วพยานอีกอันหนึง่งถ้ามันปวดตาปวดว้าก็ต้องไปบรรเทารู้แล้วเฉยๆไม่ได้นะ ม, มันหิวข้าวต้องไปกินข้าวไม่ใช่ กำหนดรู้โดยการรู้เฉยๆแต่ว่ากิจน้ำเนี่ไม่เป็นทุกแยกกันไปเฉพาะคนละเรื่องละเหล่ากันไปรูปทุกน้ําทุกไปเห็นทุกที่มาเกิดขึ้นกับรูปขุดคุยนะอันไหนที่เป็นทุกเนี่ยโอ้ยมันขุดคุยเหมือนน้ํากับน้ามันน้ํามันเนี่ยมันต้องอยู่เหนือน้ําเสมอน้ําต้องอยู่ใต้น้ํามันเสมอแม่นิดหน่อยมันก็ต้องอยู่เหนือน้ําปัญญา สติสมาธิหรือว่าปัญญาเนี่ยมันต้องอยู่เหนือมันเหนือโลกความสุขมันอยู่ต่ําความทุกข์มันอยู่ต่ำความไม่เป็นอะไรมันอยู่เหนือนิดหน่อยก็เหนือคําว่าทุกข์เนี่ยมันขุดคุยเห็นอะไรก็ไม่เห็นชัดเท่ากับเห็นความทุกข์ความทุกข์เน่ยมันโชว์ที่สุดเลยเป็นกิราเป็นกิราการดับทุกข์การเจริญสติเอาจริงเียงแล้วเนี่ย หรือว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัิญนิพพานจากกิตใจที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงเคยวิตกกังวลสมองเย็นลงไปเย็นไล่เป็นดีสมกับชื่อว่าภาวนาภาวนาคือเปลี่ยนไล่เป็นดีนะเห็นโูภทุกข์เห็นน้ำทุกข์จนขึงข่องตัว การถือว่าทุกนเนี่ยมีเท่าไหลแต่เมี่อเท่าไหร่มีเท่าไหร่สนใจเหมือนกับเราทํางานสิ่งไหนที่มันผิดเนี่ยเอาเที่งไว้ไม่ได้นักทํางานต้องเป็นนักแ ก, ก้ความผิดให้เป็นเรื่องของความถูกจึงจะเรียกว่าทํางานการปฏิบัติทำก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เห็นแ ต, แต่เริ่มต้นแล้วมันหลงเราก็เปลี่ยนของหลงเป็นความรู้ก็ทําได้ทุกคนทุกคนทําได้ตัวหลงเป็นตัวรู้ทําได้ หลงไปทางกายเขากลายเป็นความรู้มันเกิดอยู่ที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่เกิดคนละวันละเวลาเกิดคนละอย่างไม่ใช่เกิดที่เดียวกันแล้วก็เปลี่ยนที่เดียวกันมันหลงอยู่ที่ตาเ่าตานั่นแหละเป็นความรู้อะไรก็ตามนเนื้อมันในมันอยู่แล้วปฏิบัติธรรมมันสมบูรณ์แบบสะดวกเป็นการสะดวกมากการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทําได้กับมือกับเรา ถ้าจะเป็นนรกที่เป็นความทุกข์เราก็ปิดนรกด้วยมือของเราปิดความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะถ้ามันโกรธถ้ามันจะเป็นนรกเนะี่ยก็ปิดความโกรธเป็นความไม่โกรธจะไมันเป็นสิ่งที่ทําได้กับมือเราพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ในจจำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกคนเห็นตามสมควรแต่ผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นการกระทําเป็นการปฏิบัติเห็นเหมือนๆกัน แต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันนะมันก็อินเสียศรัทธาบ้างบางคนศรัทธาไม่ค่อยมีทําไปอย่างนั้นแล้วเห็นเขาทำเขาทำไปเวลามันทุกข์ก็อ้าทุกข์ไปบ้างเวลามันหลงก็หลงไปบ้างไม่ได้ตรวจตาไม่ได้ทํางานไม่ได้ปีการบ้าน ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับตัวเองการเจริญสติเหมือนพิภากษาธุลาการนะสร้างความเป็นธรรมความรู้สึกตัวไปอยู่ที่ไหนเกิดความเป็นธรรมมันไม่ยอมเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้หมือนการปฏิบัติธรรมนะเราอย่าไปเอากําลังอย่างเดียวความเพียรอย่างเดียวต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยโอ้ย ยิ่งเวลาใดที่มันยุ่งมันยากมีศรัทธาเนี่ยโอ้ยความยากกลายเป็นความง่ายแล้วก็มีศีลสำรวมบ้างอย่า ก, กระโตกกระตากอย่าใจเสาะใจเปราะใจบางมัดแน่นเอาไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสวางตาวางกายวางใจวางหน้าวางตาวางให้มันเหมาะสมเป็นท่านนั่งก็ให้มันเหมาะสม หน้าตาก็มีที่วางผมยิ้มไว้จ่หน้าบูดหน้าบึ้งเหมันกับยากจนอะไรจนมันยากทำอะไรนี่หน่อ ย, โ อ, ยโอ้ยากโอ้ยากเอาความยากเอาความง่ายแต่เห็นกันก็ว่ายากเอาความยากของมาโชวือนสมัยก่อนโอ้หลวงพ่อเคยทำนามีชาวนานาติดกันพอเห็นหน้ากัน โยมคนนั่นเขาโอ้ยตายตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวพอเห็นหน้ากันทีเดินเขโอ้ยตายตายตาตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวเอายามาสูบสักกอนเถอะเชวนสูบจะชวนนั่งสูบจะเราก็ไม่อยากนั่งนะแต่ว่าพอไปเขโอ้ยตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวเอานั่งสะกกอนนั่งเห็นหน้ากันทีเดินตายตายตาตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวมันเปราะบางเกินไปสู้ชักหน่อย ยิ้มผมยิ้มไว้ผมยิ้มไ ว, มมไว้อย่าเปราะวางอย่าหวันไว้อย่ายอมอะไรง่ายๆสู้ซะหน่อยอ่าไม่ ว, ว่าศรัทธามีศีลอย่าหลูดไปคว่ำยากความง่ายเอาอยากเอาง่ายไม่ได้หรอกแล้วก็มีความเพียรมีศรัทธามีความอดทนอดทนเหมือนพูดไม่พูดเหมือนปลาซื่อสัตว์เหมือนหมาขี้ข้าเหมือนอัวโบราณท่านว่า บางทีก็ไม่ต้องพูดมันอยากแกพูดก็ไม่ต้องพูดปิดปากปิดตาปิดหูไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรมากสอนรู้สอเห็นอะไรมากใช้สติเป็นอินทรีย์จารวมอายตนะลงทางหูจมโกลิ่ียนกายใจลงไปเหลือแต่สติอินทรีย์ออกรับรู้รอบตัว สติมันจะเป็นความลู่รลบเนาะมันแสงเหมือนกับแสงไฟฉายแสงเนย อ, อนอนมันไม่เหมือนแสงไฟฉายมันลู่รอบความรู้สึกตัวมันลู่รอบรอบเนาะแล้วมันจะมีอำนาจมันจะใหญ่ถ้าเราไปใช้อินทรีย์อื่นหูดีเกินไป ต, ตาหูจมูกลรีน่นกายใจอะไรต่างๆคอยที่จะให้มันเจริญ ง, งอกงามมันก็ไม่ไดีสติอินทรีย์จะไม่งาม ต้องถนอมบ้างบางโอกาสรักษาบ้างบางโอกาสเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนพระอนนท์ไม่เห็นไม่ดูเเลยเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดเเลยเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องพูดก็ต้องมีสติทุกคำเป็นการดีอันนี้เราอย่าอย่าปล่อยอะไรมาสํารวมลงมันจะช่วยเยอะ มีศรัทธามีศีลมีอสมาธิมีความเพียรมีความอดทนมีสติเนี่ยหลายอย่างพลังร่วมอของอยากลายเป็นของง่ายของหนักก็จะกลายเป็นของเบาอริบทที่นั่งก็พยายามนั่งให้มันได้ท่าดีๆเอวบ้างหน้าอกบ้างต้นคอบ้างใบหน้าบ้างอย่ไปนั่งหลังคดหลังงอ อ่าบูตอ่าบึ้งให้สดชื่นอยู่เสมอหัวเลาะความยากหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความคิดตัวเองบางคนพอเห็นตัวเองคิดคิดเครีย ด, ดขึ้นมาแล้วก็เครียดไปกับความคิดไอ้ความคิดบังคับขับใส่เราทำตามมันทุกอย่างลองมาหัวเลาะความคิดตัวเองลองดูหัวเลาะความโกรธของเราบอกเอ้ยเขานี้ก็โกรธเราเลยเนะี่ะโอ้ย แค่นี้เขาโกรธว่าจะทําอะไรได้จะเป็นพ่อคนแม่คนได้ยังไงจะเป็นเมียเป็นผัวเขาได้ยังไงแค่นี้เขาโกรธแล้วหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความโกรธหัวเลาะความคิดตัวมองแบบขำๆอย่าไปทํำอะไรพิดๆทุกทุกเอาเก่งเอาจังกับตัวเองเอาเก่งเอาจังกับคนอื่นบางทีไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรถูกบ้างไม่เป็นไรพร้อมผิดันเพื่อถูกพร้อม ทุกมันเพื่อไม่ทุกก็เป็นได้ความดึงมันเพื่อหย่อนความหย่อนมันเพื่อตึงก็ได้บางโอกาสอย่าไปจิงจังจนเป็นสีละพตะปารมาเอาเกียงเอาจังไม่ค่อยบรรลุธรรมนะถ้าใครจริงจังจนเกินไปเห็นไหมพระนน น, น์เอาเกียงจังจนเกินไปไม่หลับไม่นอนเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยออเห็นเสล่งเงินเสล่งทองโอ้พักสักหน่อยก็ดนะ่า พ่อบอกว่าพักสักหน่อยมันะมันวางใจใจมันวางก็ใจวางแป๊บเดียวเอ็นหลังยังหัวยังไม่ถึกหมอนเลยได้ว่ารู้ทำทันทีพอวางเท่านั้ น, นมันต้องวางนะการปฏิบัติจริงๆความรู้จึกตัวมันทำให้วาง